เมื่อวานอาตมาภาพได้พมากราบหลวงตาช่วงบ่ายแต่วันก่อนวันก่อนอาตมาภาพได้มาเข้ามาไปชมหารือกันเกี่ยวกับคณะแพทย์ทั้งเมื่อประมาณชักบ่ายห้าโมงเย็นของวันวันจันทร์ของวันจันทร์วันที่สิบห้าวันจันทร์ที่สิบห้าได้มาไปชมกันที่หลังศาลาวัดป่าบ้านตาดของเราเนี่ยกับพันกับคณะแพทย์วันนั้น ทางหมอทางผู้ชำนาญในทางเดินอาหารของศิริราชแล้วก็ทางศีนครินศีนครินมีทางคณนะมีทางคณะบอดีทั้งมีท้งพออโรงพยาบาลศีนครินด้วยแล้วก็คณะแพทย์แล้วก็ทางโรงพยาบาลก็มีพออโรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วก็คณะแพทย์รวมแล้ววันนั้นหลวงพ่อดูดูแลประมาณจก ทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลก็ประมาณสัก30สกว่าท่านที่มาหาหรือกันเมื่อเจ็นวันที่ส5บห้าหลวงพ่อก็ให้ได้ให้พระท่านกราบรวลายงานการเป็นอาการของหลวงตาว่าหลวงตาเนี่ยเป็นยังไงตั้งแต่รเริ่มข่าวนี้ที่ท่านป่วยพระก็ได้ลายงานว่าตั้งแต่วันที่8ปวันที่8ดพฤศจิกาเนี่ยแหละ เริ่มมีอาการไม่สบายแ่าก็ไล่ไลไล่เล็กียงมาจนถึงว่าท่านมีอาการอาเจียนอาเจียนแล้วก็ทานอาหารเข้าไปแล้วก็อาเจียนแล้วก็ถ่ายไม่ปกติบางทีถ่ายก็เป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งยาวอย่านั้เหมือนกับลักษณะท้องโผล่ลักษณะอย่างนั้นแหละที่พระท่านรายงานให้แก่คณะแพทย์ฟังแต่นี้พอ ท่านพูดจบแล้วคณะแพทย์ก็หลวงพ่อก็ให้ผ อ, อโรงพยาบาลศูนย์อุดรนนะรายงานให้คณะแพทย์ที่ศีนครินและสิทธิราชฟังอีกที่หนึ่งเพราะว่าผอกับคณะแพทย์อุดรเนี่ยเป็นเจ้าของไข้มาทุกวันแท่านก็ได้รายงานว่าอาการของลงตาเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นที่ทราบกัน จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ถามคณะแพทย์ว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้พวกเราจะรักษาองค์หลวงตาอย่างไรแล้วก็อยากจะให้พวกคณะแพทย์ทุกท่านที่เป็นศิษยานุสิธิ์ไม่ต้องบรรยายว่าหลวงตามีคุนูปการต่อพวกเราต่อประเทศชาติต่อโลกขนาดไหนหลวงพ่อไม่บรรยายเพราะรู้กแก่ใจทุกคนเพราะนั้นพวกลูกหลานทุกคนหมอทุกท่านก็ควรจะ หันหน้าก็หากันปรึกษาปาร็กกันว่าเราจะรักษาหลวงตายอย่างไรหลวงพ่อก็ถามเป็นลายๆเป็นท่านๆไปแล้วก็ถามทางอาจารย์หมอศิริราชอาจารย์หมอชะตาพรนะท่านก็บอกว่าถ้าตามหลักวิชาหมอที่จะรักษาองค์หลวงตาถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้หลวงตาเนี่ยไปไปฉายฉายเอ็กซเรย์แบบอะไรสกแก น, น อ, อย่างนั้นแหะที่เขาไปไปสกแกน ร่างกายของหลวงตาทุกส่วนและจะวินิจฉัยโรคทุกทีนี้ก็หลวงพ่อก็เลยได้ทักท้วงขึ้นมาว่าที่จะนิมนต์องค์หลวงตาไปหาหมอที่เราไปโรงพยาบาลไปอิกเลทางทางสกแกนอย่างนั้นน่ะหลวงตาคงไม่ไปมั้งเพราะเราเคยกลาบเปลี่ยนองค์หลวงตาหลายครั้งโดยมากท่านก็ปฏิเสธบายเบี่ยงมาตลอด เพราะนั้นแต่เรื่องนี้ขอขอตัดไปก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปในขั้นที่สองเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลอย่างนั้นอ่ะท่านไม่ได้เข้าไปสกแกนอย่างนั้นน่ะจะรักษาอย่างไรหมอกขาเราลงมติกันว่าอยากจะให้หลวงตางดงดอาหารไม่ไม่ให้หลวงตาฉันอาหารซะก่อนไปข้าวัดกับเพาะดูลำใส่ของหลวงตาเนี่ยทำงานมา มาหลายวันในช่วงที่พักผ่อนจึงท่วงในช่วงนี้กัเลยอยากใช่รึ พ, กก พ, พักผ่อนซะก่อนให้ลําไส้กระเพาะพักผ่อนซะก่อนจนกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วจึงค่อยให้อาหารทีละน้อยละน้อยแต่ขณะที่ยังไม่ให้อาหารก็อยากจะให้อาหารทางเส้นเลือดออทางน้ําทางน้ําและน้ําอาหารด้วยเข้าทางเส้นเลือดทีนี้ก็หลงมติกันก็เลยถามว่าสาเหตุเพราะอะไรบอกวันเดี๋ยวนี้ น้ำในกระเพาะน้ำในกระเพาะหรือในลำไส้ของดวงตาเนี่ยเต็มอน้ำในกระเพาะหรือลำไส้ของเราเนี่ยมันมันอยู่ในไส้มากทีนี้พอมันอยู่ในลำไส้มากเนี่ยเวลาทานอาหารเข้าไปพ่อตกเพออาหารใหม่ตกเข้าไปมันก็ไปอยู่ในน้ำมันมันมันมันมันออกไม่ได้ไอ้มันใคข้ามันไม่มีอาหารที่จะย่อยเพราะมันน้ำเยอะมันมากพ่อตกไปมีแต่อาเจียน พอตกออกมากอาเจียนอาเจียนตลายครั่งต่ายหลโหนทําให้หลุงตาอ่อนพเพลยเนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะให้ลุงตาฉันอาหารแต่อยากจะให้เอาอาหารและน้ําเข้าทางเส้นเลือด เ, อเพื่อให้น้ําจํานวนที่อยู่ในกระเพานะเนี่ยหรือลำไส้ซึมเข้าไปในฝาผนังผ้าฝาผนังกระเพาะและลําไส้ให้มันแห้งซะก่อนถ้าพอมันแห้งแล้วค่อยให้อาหารทีละน้อยละน้อย อาหารทดลองดูถ้าท่านไม่อายเจียนก็แปลว่าชันไปเรื่อยๆถ้าอายเจียนแล้วก็แสดงว่าน้ําก็ตนัยังอยู่แต่เวลาท่านอายเจียนใหม่ๆนะเวลาทานอาหารอายเจียนออกมาก็ไม่มีอะไรเหมือนกับเหมือนกับอาหารไม่ย่อยลักษณะอย่างนั้นแหะอาหารไม่ย่อยแต่พอหมดอาหารจำนวนนั้นแล้วเนี่เวลาอายเจียนออกมาแต่ละครั้งในสีเขียวแล้วนะทีนี่สีเขียวคือน้ําย่อย น้ำย่อยคือน้ำดีเนี่ยเข้าไปย่อยอาหารในกระเพาะเนี่ยเนีมันเป็นน้ำดีเนี่ยมันออกมาจะอะไรก็ เ, เป็นน้ำเขียวทุกครั้งนะแต่เมื่อวานนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อมากราบลงตาเมื่อช่วงบ่ายท่านเกาอาเจียนให้เห็นสองสามครั้งแต่ก็อาเจียนไม่มากแต่ละครั้งเนี่ยเท่าๆกับไอ้ขวดยาที่เราทานยาไอ้ชันยาเนี่ยนะที่เขาขิด เป็นขวดเล็กๆที่เป็นแก้วเล็กๆน่อขนาดนั่นแหละแต่ท่านอ า, จอาเจียนออกมาแล้วเป็นสีเขียวนะเป็นสีเขียวทุกครั้งสองสามครั้งแต่ไม่มากแต่ว่าตอนบ่ายเมื่อวานนี้คงจะท่านได้อาหารทางเส้นเลือดหรือว่าดน้นําทางเส้นเลือดกระมังก็ทําให้ร่างกายลงตาลรู้สึกว่ดีขึ้นนะเมื่อวานนี้นะที่ตรง ที่อาตมาภาพได้เห็นตรงตาเมื่อช่วงบ่ายๆมาถึงตอนประมาณ 4-5 หมงเย็นสุขภาพดวงตาดีขึ้นพูดเสียงดังฟังชัดเมื่อวานนี้แต่กระท่านยังพูดถามเรื่องนั้นไถ่เรื่องนี้กับคณะสิทธิ์ได้อยู่ที่มาใครมากกท่านครับถาม ท, ทักทายได้แต่ว่าตกตอนเย็นตอนบ่ายๆมารู้สึกพระท่านบอกว่าอาจารย์อาการท่านอาเจียนบ่อยขึ้น แต่ก็ท่านก็เหนื่อยท่านก็พักผ่อนแต่เมื่อวานพอตกห้าโมงเย็นท่านก็มองดูนาฬิกาแต่ว่าเวลาเท่าไหร่เนี่ยพระก็รายงานว่าห้าโมงเย็นครับผมเออห้าโมงก็ห้าโมงแเราเข้าไปพักข้างในซะแต่ก่อนท่านพักอยู่ในเรือเบีย้ยแต่เอาพักข้างในพวกพระก็เลยขนย้ายเขาท่านเข้าไปข้างในเมื่อวานนี่ท่านก็เข้าไปพักนะไปพักข้างในเมื่อคืนเนี่ ตอนเช้าหลวงพ่อก็ได้ถามหลวงพ่อสุดใจเนอะพ่อไม่ได้เข้าไ ป, ปพ่อจุดใจบอกว่าเมื่อคืนในหลวงตาก็ได้พักผ่อนบ้างเรื่องอาเจียนนั้นดุจแล้วไม่ได้อาเจียนเมือ่อคืนนี้แต่ว่าตอนเช้านี่ก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ฉันย่างหันตอนฉันยังหันเสร็จยังไม่ได้เข้าไปกราบท่านนะแต่เมื่อแต่เมื่อคืนนี่หลวงพ่อสุดใจว่าท่านไม่ไม่อาเจียนนะ ในหลวงพ่ออยากจะเตือนหรือว่าบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นกับคณะสิทธทุกทุกท่านที่เป็นที่เคารพรักกกงหลวงตาอยากจะบอกกล่าวและทำความเข้าใจกับทุกทุกท่านนะหลวงพ่อเขียนได้นั่งคิดแล้วก็ได้เขียนเป็นคำคำคำนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะ บอกกล่าวคณะสถาญาติโยมว่าพวกเราคณะสิทธิ์ต้องอยู่ด้วยความสงบนิ่งความสงบนิ่งนี่คืออะไรนะก็คือให้สำรวมกายวาจามีอะไรก็อย่าไปพูดอย่าไปอะไรให้อยู่ในความสงบซะก่อนอย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในวังวงการของลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาถึงจะผิดใจผิดอกผิดใจขนาดไหนก็ต้อให้อยู่ในความสงบไว้ก่อนในช่วงนี้พอหลวงตา ของเราอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายที่เห็นต้องการท่านก็อยากจะเห็นอยากจะรู้ถึงท่านไม่รู้ทางหูทางตาของท่านแต่ทางในใจของท่านท่านก็รู้อย่าว่าสิทอย่างนั้นสิท์เป็นยังไงตัวผู้นั้นอยากให้พวกเราอยู่ในความสงบให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาและปฏิบัติปฏิบัติบูชาที่องค์ดังองตาได้สอนอย่างพวกเราอย่างไรให้ปฏิบัติที่หลวงตาสั่งสอนพวกเราให้เข้มงวดขวดขันนะ คือรักษาทั้งใจทั้งกายทั้งวาจาให้ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันก็ให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาทั้งอดีตชาติทั้งปัจจุบันใชาติตดตลอถึงมาถึงปัจบัเดี๋ยวนี้ลหละขอให้เป็นพลังหนุนสุขภาพองค์หลวงตาให้หายขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเร็วพัน์ ด้วยเทินอันนี้ก็คืออยากจะให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานในใจไว้ไม่ใช่ครั้งเดียวนะทุกวันทุกเวลาเวลานึกขึ้นได้เวลาอะไรใดก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นเพื่อให้ประกอบคุณงามความดีแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นและก็อันหนึง่งให้คณะสิทธ์ธทุกท่านรวมพลังกัน หันหน้าเข้าหากันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีว่าขณะนี้การรักษาสุขภาพพ่อแม่ครูวายการหลวงตาของพวกเราเนี่ยมาเจอทางสองแผงเนี่ยสร้างสองแผงนั้นคืออะไรถ้าจะวัดสามแพ่งก็ถูกนะนต่สวะสามถางสามสาถาง ส, สามแผงก็ไม่น่าผิดแต่ว่าทางสองแผงเนี่ยคือสองแผงใหญ่ทางสองแผงพวกเราคณะสิทธิ์ทั้งหลายจะมุ่ง จะมุ่งรักษาสุขภาพกายของดวงตาของดวงตาพวกเราก็มอบให้แก่คณะแพทย์และคณะรักษาอย่างเต็มที่ของหมอตามหลักวิชาการแพทย์คือหมอจะทําอะไรก็พวกเราก็เอาเพื่อจะรักษาสุขภาพลวงตามอบให้หมอเป็นผู้รักษาอย่างนี้อันนี้ก็คือแนวความคิดหนึ่ง แนวความคิดที่สองออขณะสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจะรักษาปฏิปทาความเด็ดเดี่ยวตามที่ท่านเคยแนะนำสั่งสอนสิทธิ์อย่างนั้นอีกใช่หรือไม่นี่อันนี้หลวงพว่อครัวพวกเราจะทะเลาะ ก, กันคือ พ, พวกหนึ่งก็ว่าโอ้ยลงตาเป็นอย่างนี้พวกเราก็ควรจะรักษาลงตาอย่างเต็มที่นั่นแนหะ เอาอย่างไงก็เอาหมอว่านยืดอายุของดวงตาไว้ได้วันหนึ่งสองวันเป็นเดือนเป็นปีก็เป็นร่มโพร่มใสของพวกเรานานเท่านานก็ยิ่งเป็นสิริเป็นมงคลอย่างยิ่งพ่อดวงตาเป็นร่มโพร่มใสแต่หมอเขาก็ต้องรักษาตามหลักวิชาแพทย์นะแต่อีกกลุ่มหนึ่งเถนี่ยเบาเอ้าทําไมพระผู้ใหญ่ ภาพผู้ใหญ่ที่เป็นจิตยาวในจิตลึกเป็นโยมผู้ใหญ่ที่อุปธรรมประทาองค์หลวงตามานมนานหลวงตาก็ก อ, อกให้ฟังอยู่แล้วอย่าไปทํานะอย่าไปรักนั้นนะต้องรักษาแนวปฏิบัตินะให้เข่งพลาดนะให้รักษากดระเบียบปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอย่าให้มีสายพลุงพลังปิยงพยัญย์อย่าให้มีอะไรนะเราก็ได้ยินอยู่แล้วทําไหมครูบาอาจารย์ทําไมอ่อนแอปวกเปียกหนนักะ อะไรกลุ่มสิธกลุ่มหนึ่งก็จะมีความเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยกลัวกลัวทั้งสองกลุ่มที่นี่เนี่ยกลัวทั้งสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็จะรักษาสุขภาพกายลกลุ่มหนึ่งก็จะรักษาปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์ของลวงองค์ลวงตาเราทีานี้แล้วจะทํำยังไงเนี่หละคือทางเลือกสองทางแต่ทางเลือกที่สามทีนี่หลวงพ่อว่าทั้งสองกลุ่มนั้นอนะทั้งรักษาสุขภาพกายทั้งรักษา ปฏิปทาขององค์หลวงตาเนี่ยหันหน้าเข้าหากันเราจะรักษาขนาดไหนจึงจะพอเหมาะจึงจะเป็นธรรมนสําหรับองค์หลวงตาของพวกเราคือไม่ให้เสียทั้งสองข่ายคือสุขภาพเราควรักษาเต็มที่เต็มจะปฏิปทาเราควล้างเอาไว้พอสมควรตามแนวแถวที่ท่านเคยแนะนําสั่งสอนพวกเราเนี่แหละทั้งสองทั้งสองสามทำสามแผงเนี่นนะอยากจะให้คณะสิทธ แพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ่องลงตาเราเนี่ยหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปารบให้เป็นหนึ่งเดียวพวกเราจะไม่เสียใจเมื่อภายหลังไม่เสียใจเมื่อภายหลังคือไม่พวกหนึ่งก็ว่าทําไมไม่รักษาปฏิปทาคนหนึ่งว่าทําไมไม่รักษาสุขภาพหลงตาเนี่ยแหละพวกเราจะเสียใจแต่ถ้าพวกเราหันหน้าเข้าหากันและลงพ่อว่าเราจะเดินในลักษณะไหนจึงจะเป็นธรรมจึงจะถูกต้องเนี่ย อยากจะให้พวกเราคณะสงฆ์ด้วยคณะสัตยาญาติโยมด้ว ย, า ย, า ย, วยทุกหมู่เหล่านะทุกคนนะแล้วก็ปรึกษาปาลบ ก, กันว่าเราจะทํำยังไงจึงจะถูกท่องและเป็นธรรมที่สุดอันนี้กับผมหลวงพ่ากับผมขอแสดงความคิดเห็นในนามคณะสิทธิ์องค์หนึ่งท่านหนึ่งเหมือนกับทุกๆุ ท, กท่านอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราคณะสิทธิ์ทั่วประเทศทั่วโลก ทั้งฝ่ายบัญพิชิตทั้งฝ่ายคระหัสทุกหมู่ทุกเหลนะ่าฝากเป็นการบ้านสาหรับพวกเราให้ช่วยกันคิดแล้วทำยังไงจึงจะถูกต้องและเป็นธรรมนักษาองตาแต่ถึงยังไงให้พวกเราอยู่ในความสงบนิ่งแล้วก็ให้ภาวนาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามองคหลวงตาแนะนำสั่งสอนอย่างไรเพราะท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราให้เป็นคนดีคิดดี ดีพูดดีมาตลอดหลวงพ่นะอจึนขอให้พวกเราปฏิบัติตามนั้นหลวงพ่อจะเป็นชลิเป็นมงคลเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาที่แท้จริงนะแล้วก็หลวงพ่อข อ, ขอใหนะ้บอกกล่าวเลว่ว่าแสดงความคิดเห็นให้แก่คณะศิษ ย, ยานุศิษย์พวกเราทุกๆท่านข้อเห็นว่าสงควรกับการเวลาของยุดติ